ก็ไม่มีใครห้ามเราเอามาบวชนะอย่างนี้ก็ได้เป็นอะไรไปแต่เมื่อเราอยู่อย่างนั้นเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สดุดคิดดีทำดีพูดดีไม่ใช่ว่าจะเป็นโจโรเคเจโรเคขวางคองขวางอยู่อย่างนั้นแต่ก็กไม่ดีก็ยังอยู่ทูซีอยู่ดันทุลังอยู่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเรา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 ร่มเย็นเป็นสุขอันไหนคือสิ่งที่เราจะได้อันไหนไม่ควรจะได้ไม่ควรจะได้ก็คืออย่างที่ไปคดไปโกงไปเบียดไปบังนะที่มีเรื่องมีราวแต่ละยุคแต่ละสมัยคลายข้าาอลับชงขอลับชับ่มีมากเหลือเกินขอลับชันขอลับชันเชิงวิชาการขอลับชันหน้าที่การงาน คอรับชั่นเรื่องเงินเงินเดือนคอรับชั่นเงินค่ารับเหมาคอสร้างมันมีเยอะนะถ้าจะละว่าไปแล้วกนมากมายคอรับชั่นจุดนี้แต่เราจะคอรับชั่นตรงไหนจุดใรไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่ละท่านแต่ละคนเองเพราะนั้นให้เราซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ ชื่อสัตว์ตอนหน้าที่การ ง, งานเนี่ยถ้าทำได้อย่างนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นศขอยู่นักสถานที่ใดเนี่ยรหลวงพ่อก็ได้พูดใหแนวแนวความคิดเงื่อวานเนี่ยแหละถ้าหาว่าต า, ามไม่จริงถ้าจะว่าไปแล้วคือกล่าวมาทั้งหมดคือหมวดสินสินและวินยัยหรือกฎหมายแห่งการอยู่ด้วยกันต้องอยู่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 ใครจะทำอะไรทาตามอ ำ, อำเภอใจตามทตามอัธยาใจไม่เคารพกฎหมายแล้วเป็นยังไงคิดดูให้ดีกันแล้วกันหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีกฎกติกาพระสงฆ์ไม่มีศีลฆราวาสไม่มไมมคไมมเคารพกฎหมายก็ไปทํานองลักษณะเดียวกันนะั่นอันนี้คือการเป็นอยู่นะการเป็นอยู่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 ลกเล็กโลกเล็กอารมณ์โมโหโกธามีอะไรต่อไม่อะไรอยู่ในในตัวของเราเราจะมองไม่เห็นในสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นส่วนลึกของใจแล้วมันมีอะไรพักดันออกมาสรุลแล้วก็คือความหลงเป็นพื้นฐานวิชาคือตัวไม่รู้เป็นพื้นฐานพอมีความหลงขึ้นมาถ้าไม่หลงก็มไม่โกรธ ถ้าไม่หลงก็ไม่โลภถ้าไม่หลงก็ไม่รักนะมันหลงซะก่อนมั่จึงรักโลภโกรหลงรนะักโลภโกรนะเพราะในพวกเราศึกษาสรุปแล้วคือให้มีการศึกษาให้การเรียนรู้ศึกษาเรื่องธรรมคำสอนของพุทธศาสนาถ้าตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร